ก็เป็นดุลยใจที่ไม่เหมือนแบบใครโอก้วเด้โปรดอย่าจากไปฉันไม่ต้องการจะเสียเธอฉันไม่ต้องการจะเริ่มใหม่กับใครวงกวออยากให้เธอเข้าใจในสิ่งที่ฉันนั้นผิดไปที่ ฉันชอบเอาแต่ใจ I อ a วันเลิศอยู่ฉันต้องการเพียงแค่เธอได้โปรดเธอจงเข้าใจ mm hmm. ว่าฉันนั้นรักเธอคนเดียวไม่เคยคิดที่เธอต้องโดดเดียวฉันรักเพียงแค่เธอไม่อยากให้เธอต้อง แล้วด้โรดอย่าจากไปขโทษได้ไหมเบบี้แก้มซอลี่อลิอุนของเธอนั้นที่ฉันต้การนะเบบี้อยากจะขอโทษในสิ่งที่ฉันนั้นผิดมันผิดที่ฉันเองที่ทำอะไรไม่คิดและของเธอให้ยุ่งที่การกระทำขอโทษด้วยละกันที่ฉันไม่เคยจำฉันพยอยากจะลืมทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาจะบอกว่ารักจะไม่รักมันขึ้นอยู่กับเวลาฉันไม่ได้ต้องการให้เธอต้องจากไปฉันไม่ได้ต้องการให้เธอต้องหายไป ฉันต้องการเธอเทนั้นโอ้รักนะ My girl Only you ฉันต้องการก็ออเราช่วงนี้แล้ ว, วฉันจะไม่ยอมต้องให้ใครนั่นไหนมาขวางมันฉั น, น, น er, ต้องการแค่เธอเท่านั้น All you เท่านั้นภายในใจของฉัน Baby วัฉันนั้นรักเธอคนเดียวไม่เคยคิดที่เธอต้องโดนเดียวฉันรักเพียงแค่เธอไม่อยากให้เธอต้องเอ o เธอเข้าใจฉันแล้วในโปรเจกต์จะไป